ในช่วงต่อไปสำหรับผู้ถามปัญหาจะยกมือถามหรือจะเขียนถามก็ได้ในส่วนต่างๆที่เราได้ศึกษามานั้นหลักสูตรเฉพาะเขาเรียกว่า 2-day retreat เนี่ยซึ่งวันนี้เป็นเช่่อๆทั้งหมดโดยทั่วไปของการเคลื่อนไหวแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นสูตรวิธีการเข้าสู่หลักการของราาัฐวิทยนโดยตรงครับ แต่วันนี้เป็นหลักการโดยทั่วไปของการเคลื่อนไหวเป็นภาพกว้างๆ <c oughs> ให้เห็นว่าในพื้นฐานการเคลื่อนไหวแบบแบบหลักการคือเป็นแบบนี้นะฮะหลักการของเริยสัตว์พวกนี้เข้าสู่หลักการใ น, นวิธีการข้เทียนเป็นยังไงดังนั้นวัน น, น, น, น, วนี้เราก็ต้องมาทําความเข้าใจขั้นพื้นฐานกันก่อนก็ใน ช่วงของการถามปัญหาเราจะใช้เวลาประมาณสักสามสิบนาทีนะก่อนที่จะสู่ช่วงต่อไปเพื่อให้ครบถ้วนขบวนการเรียนรู้สมาธิแบบเคลื่อนไหววิจเจริญสติแบบเคลื่อนไหวทั้งหลักปริยัตปฏิวัติเราทั้งมทั้งมลเนี่ยโดยภาพกว้างก็เป็นอย่างนี้ส่วนการพิสูจน์ ตามหลักการอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่มีศรัทธาและความเพียรซึ่งถ้าหากว่าไม่มีศรัทธาและความเพียรมันก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งเพราะนั้นเองนะคำว่าศรัทธาและความเพียรจะเป็นการพิสูจน์ความรู้ที่เราได้ให้เป็นจริงซึ่งตรงนั้นแหละเราก็จะได้ทราบว่าเราต้องการอะไรในะชีวิตของเรา ถ้าเรายังไม่แน่ใจไม่ชัดเจนว่าเออในชีวิตนี้เราต้องการอะไรเราก็ยังสถานและความเพียรหรือก็ยังไม่ตั้งมั่นเราต้องการความสุขต้องการความทุกข์หรือต้องการความไม่สุขไม่ทุกข์หรือต้องการอยู่เหนือความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเลือกต้องการความสุขก็ต้องไปเจอความทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นถ้าต้องการความทุกข์ ก็เราไปเจอความสุขอย่างดิกลี่มไ่พ้นเหมือนกันนะีน่ถาต้องการความไม่สุขมันก็จะเจอความไม่ทุกต้องการความไม่ทุกก็จะเจอความไม่สุขไม่มีทั้งสุขทั้งทุกชีวิตจะเป็นอย่างไรนี่อันนี้คือที่เราต้องการ <c oughs> ศึกษาประเด็นเป้าหมายของการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหว ที่มาเดินเช้าได้ให้ตัวอย่างที่เป็นรู ป, ปรธรรมเป็นแบบที่สนะก่อนที่จะค่อยสู่การถามปัญหามาขอนำเสนอตัวอย่างแบบที่ห้อีกแบบหนึง่งนะเผื่อว่าภาพตรงนี้มันจะได้ชัดเจนว่าเมื่อก่อนมาเนี่ยมาให้พระที่ไปเก็บอารมณ์มาแชร์การปฏิบัติแล้วก็ให้เทศทวนพระนะที่พระที่วัด ปรากฏว่าหลวงตาองค์นี้ก็ตั้งใจปฏิบัติดีแต่ว่าไม่ค่อยได้อารมณ์เลยเพราะอะไรเพิ่งมาทราบเบื้องหลังท่านไปก่อนที่มาปฏิบัติเนี่ยท่านทำแบบหนอมาก่อนไปเข้าหนอหลายๆครั้งที่ครั้งแล้วเป็นเดือนทีนี้ก็จะมะีผู้นำปฏิบัติเป็นห้องใหญ่แบบนี้ซ้ายอย่างเราก็เดินพร้อมกัน าาสายยางนอสายางนถึงเวลานั่งก็จะนั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกประยุพพองน่ไปใครได้กำหนดได้นานที่สุดใครกหนดได้นานที่สุดยาวที่สุดเอแข่งกันนะแข่งกันถึงวันสุดท้ายของรายการก็จะนั่งว่าใคร สามารถนั่งได้ถึง24ชั่วโมงโดยไม่ลุกเลยแข่งกันระดับนั้นอามาก็เคยไปเรียนวิธีการในเวลาไปเข้าอบรมพัธรรมทูตซึ่งมันเป็นการแข่งขันกันเป็นเกมนหนึ่งเหมือนนั่นเหมือนการแข่งเกมทั่วไปในที่สุดก็คนไหนชนะนั่งได้นานกว่าเพื่อนก็จะถูกเลือก ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามท่านบอกท่านได้ที่สิบแปดทั้งหมดสามสิบห้าคนที่ได้ก็มีความภูมิใจว่ า, าได้ที่สิบแปดซึ่งมันเป็นอะไรบางอย่าง ว, าว่าการทำสมาธิไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการศึกษาถ้าผู้ใดที่เตรียมปัญหาแล้วก็เอามาเนะี่ยเรามาคนไหนส่งมาก่อนเราก็จะต่อไปเรื่อยๆเมื่อแข่งขันกัน แบบนั้นก็จะทำให้เกิดความาคนที่มีความอดทนสูงกว่าเพื่อนก็จะมีมานะสูงกว่าเพื่อนว่าฉันต้องอดทนได้มากกว่าฉันต้องอดทนได้สูงกว่าเพราะนั้นสมาธิแบบนั้นก็จะเป็นสมาธิแบบเกิด m ะ n ัตตาขึ้นมาว่าทำได้สมาธิเข้มแข็งกว่ามีความอดทนฝ่าแล้วก็ทำได้ดีฝ่า ซึ่มันก็จะอยู่ในเวทนาเอาทุกขเวทนามาเป็นตัวอัตตาอีกที่หนึ่งเรียกว่าในตระกูลของความพอใจความสบายกายเรียกว่าสุขเวทนาพัฒนาไปสู่ความสบายใจความพอใจเรียกว่าเป็นตัวเวทนาที่สองเดียวโสโสมนัสเวทนา ถ้าสติไม่กำหนดรู้ตัวสบายกายปั๊มันเคยพัฒนามาเป็นโสมนสเวทนาว่าความพึงพอใจความยินดีพอใจในความสบายนั้นเราก็ไม่ได้ฝึกสติมาเราก็ไม่ได้กำหนดรู้ว่าคือความสบายใจนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเราไม่ได้กำหนดรู้แบบนี้เราก็เสพความพึงพอใจอันนี้ความพึงพอใจนี้ก็จะเ ป, เปลี่ยนแปลงเป็นตัวอภิชา คือเพ่งหาความสบายที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เสพเพลินในอภิชาความสุขในระดับติดเป็นความพึงพอใจก็จะมาเป็นติดใจเรียกว่านันทิพอเข้าสู่ตัวนันทิเราก็ยังไม่ได้มีสติกำหนดรู้เราก็เสพเพลินในตัวนันทินันทิเรียกว่าความติดใจแล้วติดใจที่ยังไม่สติกำหนดรู้อีกความติดใจนี้ก็จะมาเป็นตัวนันทิราคะ มีความใคร่ยากในความติดใจนั้นที่เป็นรูปธปรรมขึ้นนั่นที่ราคะเกิดขึ้นเราก็ยังไม่ได้ตามกนุนเราก็จะพัฒนามาเป็นความอยากที่อาศัยอย่างอื่นเข้ามาตอบสนองเรียกว่ากามตัณหากามตัณหาคือความใคร่อยากให้สุขมากๆเกินแสวงหาก็าจะทําให้ความพึงพอใจนี้อยู่ได้นาน ก็จะเป็นภวะตันห า, นาแล้วภาวะตันหาตัวนี้ก็จะพัฒนาไปเป็นกามกะกามฉันทะนากามฉันทะเวลาก็มาเป็นตัวหนึ่งของนิวรณ์ทั้งห้าละทีนี้ตัวที่หนึ่งเลยทีเดียวกามฉันทะไม่ถูกกาหนดรูป ก, ก็พัฒนามาเป็นกามุปาทานกามุปาทาน ก็หาวัตถุที่หยาบขึ้นไปอีกมาตอบสนองเรียกว่าโลภะเราเข้าขัน้นแสวงหาวัตถุมาครอบครองเข้าขั้นโลภะโลภะเราก็ยังไม่ได้กำหนดรู้เนื่องจากไม่ได้ฝึกสติปัญญาโลภะก็พัฒนาเป็นราคานุสยัยเป็นความใคร่อยากที่ติดใจเป็นเห็นอะไรก็จ ะ, อะชอบจะรักจ ะ, ะเขาเรียกว่านิสัยชอบไปทาง ห ล, ลักใครราคานิสัยราคานิสัยก็มีวัตถุที่อยากเข้ามาตอบสนองเป็นนิสัยเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นไม่ได้อย่างใจก็เกิดการแย่งชิงเกิดขึ้นเป็นโลภานุสัยโลภานุสัยเราก็ยังไม่มีสติตามความรู้เปลี่ยนเป็นกามาสะวะ่มันจะแตกงอกออกรากไปเรื่อยๆถ้าสติไม่ตามรู้มันก็จะแตกแตกแตกแตกแตกรากไปเรื่อย ลองตามดูที่เอาลากที่หนึ่งคืออะไรความสบายกายใช่ไหมที่เราได้ขณะ น, นี้เราก็อยากจะรู้สึกอยากจะได้ความสบายาสบายกายอยู่นานๆใช่ไหมก็เป็นสองโสมนัสเวทน า, าความสบายกายนี้เรียกว่าสุขเวทนาใช่ไหมความพึงพอใจในความสบายนั้นเรียกว่าโสมนัสเวทนา และสมนรณสาตว์เวทนาเราก็จะมีสติกำหนดรู้เราก็อยากให้ตัวโความรู้สึกพึงพอใจเนี่ยไปอยู่ได้ในนานทั้งสบายกายสบายใจชอบใจก็เป็นติดใจเรียกว่สอภิชาหนันทิ 6. ราคะจนันทิราคะ 8. กามฉันทะ 9. กามตรฐานสราค0 ร, ราคานุนใส สิบเอ็กามุปทานสิบสองโลภะสิบสองโลภานุใสสิบสามเป็นกามาสวะถึงสิบสามรางด้วยกันมันจะขยายขยายขยา ย, ขยายไปเรื่อยเรื่อยจนถึงขั้นระดับกามาสวะแล้วเป็นละเอียดกิเลสในความสบายที่ละเอียดที่สุดที่เรียกว่าสวรรค์ที่ไปแยกสวรรค์ชั้นต่างสวรรค์ชั้นกามาพรจร อรูปารพจนอรูปารพจนขึ้นไปเป็นสวรรค์หกชั้นทีนี้เห็นไหมมันสายโยงไปจากสุขเวทนาตัวเดียวเนี่ยที่ไม่มี ก, รการกําหนดรู้มันจะตามไปเรื่อยๆที่มาดูอีกสายหนึ่งสายทุกเวทนาที่ไม่ได้กําหนดรู้บ้างทุกขเวทนาไม่ได้กําหนดรู้ขยายเป็นอะไรคือความสบายไม่สบายกายเราไม่มีสติกําหนดรูก้ก็เป็นความไม่สบายใจเรียกว่าโทมณัสเวทนา เช่นความรู้สึกไม่สนุกโทรมรสาเวทนายังไม่ได้กําหนดรู้ถึงความไม่สบายใจเกิดขึ้นแล้วยังไม่ตามรู้มนันอีกมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นโธปฏิฆะนะปฏิฆะมุงิดอุดัดเมื่อเกิดความมุงิดอุดาตเกิดขึ้นแล้วในใจก็ยังไม่ตามรู้มนันอีกก็จะเปลี่ยนมาเป็นพยาปาทะความขัดแยง้งขัดเคืองในใจ ฉุนพยาปาทะก็จะเป็นโกรทะโกรทะก็จะเป็นเป็นโกธโทสะเสียใจโทสะก็จะมาเป็นปริเทวะคล่ำครวนปริเทวะโทมนัสะปริอุปายาสะ อุปา ย, ยาสความหิวแห้งใจทุกระทมตรอมใจแล้วไปเป็นมาน ะ, ะมานะความเรียกว่าดื้อยืนหยัดขัดขืนเจ้าให้ได้มานะแล้วก็ขึ้นไปเป็นตัวโทสารใส ล่าสุดก็ออกมาเป็นภาวาสะวะตัวที่สองนี่คือร่าของฝ่ายทุกข์อะจนไปถึงภาวาสะวะเมื่อกี้ลงมาจบหลงเรียกว่าตัวอนิจจังก็ให้เกิดทุกขังไป่าง น, นี้ตัวอนิจจังตามเป็นสายไม่ได้กำหนดรูปจนไปถึงกากามาสะวะตัวทุกขังไม่ได้กำหนดยาวลงไปเรื่อยจนตัวไปถึงตัวภาวาสะวะตัวหนาตาความบัตรับบัญชาไม่ได้ตามต้องการก็จะ ให้เป็นเวทนาอีกตัวหนึ่งนะตัวอนัตตาหรือตัวที่ยังไม่ชัดว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในการเปลี่ยนในละครั้งที่เราเปลี่ยนเลยไม่รู้ลักษณะนี้ความสบายเกิดขึ้นเหมือนกันแต่เรารู้ไหมว่าตัวสบายหรืสบายหายไปได้อย่างไรไม่ได้ตามรู้ลักษณะเรียกว่าเราไม่รู้ทั้งที่ไปที่มาเรียกว่าอนัตตาและเมื่อมันหนักมาเราบอกให้มันเบา มันก็เบาไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้และมันเบาแล้วอยากจะให้ภาวะเบาๆนี่อยู่ไปนานๆมันก็ไม่อยู่ตามที่เราต้องการบังคับบัญชาไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวตนที่ให้บังคับเรียกว่าเป็นอนัตตาแต่เราก็ไม่ได้ตามรู้ขบวนการของมันทั้งหมดนะเมื่อไม่ได้ตามรู้ตัวอนัตตาจึงเปลี่ยนมาเป็นอุเปขาเวทนาความรู้แบบไม่รู้รู้แบบซิบือรู้แบบไม่ คือรู้แบบยังไงไม่ชัดหลางๆก็เรียกว่าอุเปกรขาเวทนาตอนนั้นอุเปกรขาเวทนาก็อุเปเเขาสามัมพุทธชงจิขุลละเรื่องกันนะพออเเกรขาเวทนาปั๊บเราก็จิตใจของเรามันมันงง ง, งวยงว ย, งวยสงสัยนะว่าเป็นอะไรกันเนะี่ยเป็นอุปขาเวทาขาเวทนาเกิดขึนมาเป็นโมหนะนะ โมหะคือหลงลืมอาการที่ปรากฏในกายในใจขณะนี้ไม่เห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรกาลังเกิดจิตของเราวิ่งว่นล่อนเล่อไปทั้งอื่นอากาศอาการปรากฏคราวนี้เห็นไม่ชัดพอเห็นอาการสุขก็ไม่ชัดทุกก็ไม่ชัดไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ชัดคิดก็ไม่ชัดไม่คิดก็ไม่ชัดรู้ไม่ชัดทุกอย่างก็เป็นโมหะหลงโมหะก็พัฒนามาเป็นทิฏฐิ ดูให้ดีนะว่ากิเลสอย่างยาบคือราคะโทสะโมหกิเลสอย่างกามนี่ก็คืตัณหามานะทิฏฐิมาจากกุลสามรากเนี่ยตัวทิฏฐิจากโมหะพัฒนามเป็นทิฏฐิทิฏฐิก็พัฒนามาเป็นทิฏฐิอีกแปดใช่ไหมเหมือนกับมัก 8, แปดแทนที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิพอไม่ได้ตามรู้กายเป็นอะไรมิจฉาทิฏฐิพอตามรู้ไม่ทันว่าเห็นผิดก็เป็นสัง มิจฉาสังกประไปเรื่อยๆมิจฉามิจฉาทิฏฐิแยกออกไปตั้งแต่มิจฉาสังกประมิจฉากรรมมันตะมิจฉาวาจามิจฉากรรมมันตามิจฉาสติมิจฉาสมาธิไปเรื่อยๆอันนี้เบิกความไม่รู้ด้วยโมหะเปลี่ยนเป็นมิจฉาทิฏฐินะแล้วมิจฉาทิฏฐิไปเปลี่ยนเป็นทิฏฐิทั้งแปดแล้วกลัมาก็มาพัฒนามาเป็นตัวภวาสวะอ่าเห็นไหม กิเลสอย่างยาปราคาโทสามหะก็พัฒนามาจากอนิจจังทุกขังนาตานั่นเองที่เราไม่ได้ตามรู้กิเลสอย่างอ ย, ยาเบื้องบุญพอไม่ตามรู้ว่าเป็นกิเลสอย่างกลางคือตัณหามานติฐิกิเลสอย่างกลางแล้วไม่ตามรู้ก็เปลี่ยนเป็นกา ม, มาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะก็ เ, เริ่มต้นมาจากตัวอนิจจังทุกขังนาตามือนกันเพราะฉะนั้นโทษแห่งการไม่ตามรู้ทําให้รากเงาของกิเลสขยายตัว มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นพบเป็นชาติหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นจบดนั้นณนะวันนี้เราจึงมามาสร้างตัวรู้เกิดขึ้นมานะสร้างตัวรู้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาตามรู้ความไม่รู้เพื่อที่จะตัดไฟแต่ต้นลมถ้าเราไม่รีบตัดตั้งแต่ต้นนี้มันก็ขยายรากขยายรูดไป ยาวลึกเลยทีเดียวเพราะนั้นตัวอุเปขาเวทนาเพราะนั้นพรหมทั้งหลายก็เกิดไปจากตรงนี้เองคือนั่งซื้อเบืหลายๆวันหลายเดือนหลายปีโดยไม่รับรู้อะไรเป็นอุเปขาเวทน า, าก็กลายไปเป็นพรหมันลูกฟักในที่สุดเป็นพรหมเพราะนั้นอายุของพรหมถึงยาวที่สุดเป็นหมืนหม่นๆมื่นปีเคยได้ยินใช่ไหมอ่าเพราะตัวนี้เองไม่ได้ตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้น เทวดาก็เรียกว่าร้อยวันของมนุษย์เท่ากับร้ยปีของมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันของเทวดาร้อยปีของเทวดาเท่ากันหนึ่งวันของพระพรห ม, มนั่นคือความยืดยาวในวัฏสงสารนะนั้นแต่นี้เราเข้าสู่ตัวบรรยากาศของคำถามนะถามที่หนึ่ง สําสหรับผู้ปฏิบัติโดยใช้องค์บริกรรมเช่นเห็นหนอได้ยินหนอโดยที่ไม่อยอมละองค์บริกรรมผู้ปฏิบัติแบบนี้จะยกจิตให้เกิดญาณปัญญาได้หรือไม่อย่างไรนะอันนะ่ะคำถามมีสองคาถามมีสองตอนนี่นะนการเดินตามมรรคมีองแปดต้องละองค์บริกรรมหรือไม่ อ, องค์บริกรรมหรือนิมิตที่เอามาบริกรรมในสมถะทั้งหมดต้องใช้รูปคาว่าเห็นหนอได้ยินหนอนี่เป็นองค์บริกรรมที่เป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรูปหรือเป็นนามคาว่านึกก็ตามเปล่งเสียงมรรครรมเห็นหนอได้ยินหนอรู้หนออร่อยหนอเจ็บหนอปวดหนอเป็นรูปหรือเป็นนาม ฮะเป็นรูปหรือเป็นนามเออเออเอานี่นะเอาอย่าลืมหลักนะอได้ยินหนอสิ่งที่ทําให้เราได้ยินเนี่ยหนึ่งเสียงที่มากระทบใช่ไหมเห็นหนอถ้าเห็นมาหนึ่งมาว่าเห็นเสาหนอเห็นแสงหนอะแต่ว่าเห็นหนอคือเห็นอะไรเห็นข้างในไงนะเห็น ความคิดว่าคิดมาก็คิดหนอเวลาเห็นเห็นเห็นอะไเห็นรูปใช่ไหมเห็นรูปแต่ความคิดก็เห็นนามวารูปแต่เห็นข้างนอกที่ตายเห็นก็เป็นรูปนามเพราะฉะนั้นการว่าเห็นหนอได้ยินหนอเป็นรูปหรือเป็นนามอ่ะยังตัดสินใจไม่ได้อย่างเป็นยังเป็นนามอยู่ก็คือมเป็นรูปนะทั้งสองรูปทั้งรูปถ้าเอาข้างนอกรูปข้างนอกเป็นนิมิตอารมณ์หรือว่าอารมณ์ที่เป็นรูปเอาข้างในเป็นอารมณ์หรือว่านามวารูป ต่างก็มีรูปเป็นอารมณ์อยู่ก็ยังเป็นสมถะอยู่นะเพราะนั้นในเมื่อจะยกจิตขึ้นสู่ญาณปัญญาได้หรือไม่ญาณและปัญญาเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นนามนะเพราะฉะนั้นจิตเขายังจิตในรูปอยู่จะยกจิตขึ้นสู่นามได้ไหมก็ไม่ได้คุณจะเปลี่ยนฟืนเป็นไฟต่เมื่อไหร่ฟืนมันจะเปลี่ยนเป็นไฟได้โดยที่ไม่จุดที่จุดไฟที่ฟืนก่อนมาเปลี่ยนได้ไหม ไม่ได้นะเราจะยกเปลี่ยนฟืนตรงนี้ให้เป็นไฟเหมือนก็เปลี่ยนบริกรรมให้เป็นยานเปลี่ยนหนอให้เป็นรู้อย่างเงี้ยก็ต้องละหนอให้ได้ก่อนเอาตัวรู้เฉยๆในขณะนี้สมมุติว่าเรารู้สึกหนักเนี่ยเราต้องบริกรรมไม่ว่าหนักหนอหรือปวดหนอถ้าเรายู้ว่ารู้สึกปวดหนอหนักหนอก็ยังเป็นสมถะอยู่แต่ให้รู้เฉยๆว่าเออ น, นี่คือรู้เฉยๆ ร, ๆรู้ว่าหนัก แต่จิตของเราไม่ได้หนักไปกับตัวรู้ตัวนั้นจิตของเรารู้ตัวหนักแต่จิตไม่ได้หนักไปกับอาการรู้สึกหนักนั้นแต่รับรู้อยู่ถ้ารู้เกินจำเป็นรู้เกินที่จะทนได้ก็บาบัดออกไปถ้ารู้พอทนได้ก็รู้ไปเรื่อยๆลักษณะนี้ตัวรู้จึงรู้อาการของหนักและเบาคือรู้อาการของหนอนั่นเอง เราเพียงอาการของหนอแต่ไม่ได้เอาตัวหนอแต่หากเปลี่ยนตัวหนอให้เป็นอาการได้แล้วเข้าไปตามรู้อาการนั้นเรื่อยๆว่าอาการนั้นมันตั้งอยู่ได้หรือไม่มันเป็นอนิจจังทุก ข, งขังตาเป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็เห็นอาการมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราแทนที่เราจะว่าหนักขาแล้วบริกรรมว่าปวดหนอเราไม่ต้องบริกรรมว่าปวดหนอพอพลิกไปความอาการหนักก็หายไป อาการเบากาเกิดขึ้นแล้วก็ตามรู้เบาต่อไปโดยที่เอาหนักเอาเบานั้นเป็นเหมือนแปลงเชื้อน้ามันให้เป็นไฟโดยการจุดตัวสติสัมยัตไปเหมือนกับไฟแชค็คตัวน้ามันตะเกียงไม่กี่เปลี่ยนเหมือนฟืนมันหนาไปเอาง่ายๆดีกว่าเปลี่ยนน้ำมันตะเกียงตัวนั้นเป็นนิมิตที่เป็นรูป แล้วสติสมิญญะเหมือนกับหัวไม่ขีดที่เราขี่ลงไปข้างไม่ขี่แล้วติดลงไปที่ตะเกียงเปลี่ยนน้ำมันในตะเกียงนั้นให้เป็นความร้อนและแสงสว่างนั้นเรียกว่าเปลี่ยนรูปให้เป็นนามลักษณะเปลี่ยนตัวไม่รู้ให้เป็นตัวรู้โดยจุดประกายที่สติและสมบัติชัญญะถ้าลักษณะอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนตัวองค์บริกรรมให้เป็นยานปัญญาได้เพราะค์บริกรรมนั้นทําด้วยสติสมบัติชัญญะ ที่ตามรู้อาการของรูปแต่ไม่ได้เอ า, า ร, รู้รูปถ้ารู้รูปมันเป็นเรื่องของสมาธิตั้งจิ ต, ตไว้เป็นสมาธิต <TT> แต่อาการตามรู้ของรูปเป็นอาการของสติสมัยะที่จะเปลี่ยนตัวอาการของรูปให้เป็นตัวรู้เฉยๆเรียกว่ายานปัญญาเข้าใจนะโอเคาเดินจงกรมธรรมะแปดแต่และองค์ละบทอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะคำตอบเดียวกันคำตอบที่หนึ่ง คำถามที่สองถามว่าถ้ากลางวันมีชีวิตจาวันใช้ชีวิตตามลมหายใจและรู้สึกตัวแล้วตอนกลางคืนหลังไหว้พระสวดมนต์จึงนั่งยกมือทำจังหวะการปฏิบัติร่วมกันแบบนี้ทำได้หรือไม่จะขัดกันหรือไม่ออตัวรู้เนี่ยมันไม่มีกลางวันกลางคืนใช่ไหมกลางวันในชีวิตจงวั น, นใช้ตามลมหายใจ ขณนะนั้นลมหายใจกับการเคลื่อนไหวมือต่างกันไหมเช่นคุณลุกไปแล้วก็ไปเก็บตัวนี้ขึ้นมาอาการตามรู้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ธาตุลมทํางานคือมือเคลื่อนไหวแทนที่เราจะมารู้ที่ลมหายใจแต่ว่าองค์ตัวรู้มันไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจขณะนี้องค์ตัวรู้อยู่ที่ไหนอยู่ที่มือที่เอื่อมไปสัมผัสแล้วก็วางตามปุตติไอตัวนี้มันไปมันมาของมันเองได้ไหม ไม่ได้เพราะอาศัยนามที่นามก็อาศัยใครอีกทีหนึ่งอาศัยมืออีกทีหนึ่งมือไปรับสัมผัสตัวนี้ด้วยรู้เพราะนั้นตัวรู้ถึงอาศัยรูปนามอาศัยตัวรูปอันนี้นามอ น, นี้อาศัยรูปแต่การที่มันไปมาได้ด้วโดยพลังของนามนะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราใช้ตามลมหายใจแต่รู้สึกตัวตลอดและตอนกลางคืนเอาไว้พายสวดมนต์นั่งยกมือ ก็ความจริงแล้วขณะนั่งไหว้พระเนี่ยมันก็มีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วใช่ไหมส่วนมูลเป็นการเคลื่อนไหวก็อาการของลมทํางานเพราะฉะนั้นได้ตอบมาเบื้องต้นว่าเราไปรู้อาการของลมแต่เราจะถ้าไปรู้อาการของลมมันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติสัมปชัญญะคือตัวรู้แต่ถ้าไปรู้ตัวลมเนี่ยมันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเพราะจิตของเราจะไปเพ่งถึงตัวลมนะแต่อาการของลมเป็นอาการ ไหวใช่ไหมอาการไหวแล้วไหวแล้วเกิดอาการรู้ขึ้นอาการนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นตัวสติสมัชัญญะและสติมญยะนั้นก็จะทําให้เกิดอาการร่วมรู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเกิดต้องเกิดทําความเข้าใจนะไม่ใช่ว่ามันถูกหผิดนะใช้ได้ถ้าเราเข้าใจทำอย่าเข้าใจคุณจะไหวพระสดมน์จะนั่งสร้างจังหวะนั่งสมาธิหลับตาก็ไม่ขัดกัน แต่เพียงแต่ว่าเราเอาอาการของมันเปลี่ยนเป็นตัวรู้และตัวรู้ตัวนี้แยกออกได้ไหมว่าระหว่างสติสัมยกับสมาธิเนี่ยต่างกันอย่างไรเพราะสติเนี่ยเป็นได้ทั้งสมาธิความตัวรู้ตัวเนี้ยเป็นได้ทั้งสมาธิและเป็นได้ทั้งตัวสมัมมญัชญ์ะถ้าเราเฮ่งตัวรู้ไปจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นวัตถุมันมีอาการที่หนักมันจะเป็นสมาธิ แต่เอาตัวรู้เนี่ยไปตามอาการของธาตุดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการหนักเบาเข้า อ, อมันก็จะเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมที่อาการมีทั้งหมดเลยหนักเบาก็จะเป็นสัมปชัญญะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดตัวญาณปัญญาดโดยอัตโนมัติเพราะนั้นสัมปชัญญะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่ตัวสมาธิเป็นเหตุใก้ให้เกิดยานแต่ตัวปัญญาเป็นเหตุให้เกิดญาณ เพราะนั้นถ้าหากว่าไปสายของวิปัสนาต้องเป็นยานแต่เป็นสายของสมถะต้องเป็นฌานจะเดินสายฌานหรือสายยานถ้าเดินสายฌานไปสู่สมถะแต่ไปเดินสายยานเป็นวิปัสนาแต่ตัวสติตัวนั้นเป็นตัวกุญแจสำคัญว่าคุณจะเปิดประตูไปสู่ฌานหรือสู่ยานถ้าเปิดประตูไปสู่ฌานต้องผ่านสมาธิที่เพ่งรูปเป็นอารมณ์ ถ้าเปิดไปสู่ยานต้องผ่านสัมพัญย์ยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเร่งอาการของรูปเรนามเกิดดับและหนักเบาเป็นอารมณ์จึงเปลียนมาเป็นยานเข้าใจนะไม่สับสนนะคำถามข้อต่อไปอ่า หลักการปฏิบัติวิปัสนาสุดท้ายต้องลงที่ไตรลักษ์ใช่หรือไม่กํ <c oughs> าหนดรู้ได้แต่ยังไม่สามารถกําหนดรู้ไตรลักษ์ได้ในทุกกรณี <c oughs> อยากให้หลวงพ่อแนะนําในการกําหนดรู้ไตรลักษ์อีกครั้งเพราะในการกําหนดรู้ไตรลักษ์ไม่แน่ใจว่าการเป็นการคิดไปหรือเปล่าหรือจิต เข้าไปพิจารณาตราลักษณ์ซึ่งได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้วใช่ไหมชัดเจนแล้วตรงนี้นะว่าการรู้ไตรลักษณ์คุณจะรู้ที่ตัววัตถุมันเป็นสมถะแท้ไปรู้อาการมันก็จะเข้าไปสู่ไตรลักษณ์เพราะไตรลักษณ์ของลูกมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นถ้าเราไปเพ่งที่ไตรลักษณ์ของลูกแคจะเป็นสมถะแต่ว่าดูไตรลักษณ์ที่อาการของนามก็จะเป็นวิปัสนา เพราะว่าตใจรักที่เป็นข้องนางคือไปดูอาการหนักเบาพอใจไม่พอใจคิดไม่คิดสบายไม่สบายถ้าไปตามรู้ตรงนั้นตัวใจรักทางจิตที่ออกมาเป็นรู้สึกพอใจไม่พอใจเฉยเฉยถ้าอาการใจ ร, รักของรูป ก, ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสบายไม่สบายสุขทุกข์แต่ใจรักของนามจะออกมาเป็นความพอใจไม่พอใจเฉยเฉยถ้าเราไปตามรู้อาการความพอใจไม่พอใจเฉย ๆ, ๆเป็นวิปัสสนา ถ้าเป็นรู้ตามอาการสุขทุกเฉยเฉยของกายเป็นสมถะเป็นตรัสรนะอันที่สองนอกรูปแบบประสบการณ์นอกรูปแบ บ, บนแบบในชีวิตประจำวันมักเห็นความชอบ่ยไม่ชอบปรากฏวางใจเป็นการแล้วก็จบอยากรู้ว่าเวลามีผัสสะมากระทบทวารอันไม่ใช่กาย ต้องพิสูจน์ใจลักหรือไม่หรือเห็นแต่สมุทัยชอบหรือไม่ชอบแล้ววางใจเป็นกลางก็พออยากให้ อ, อก็คําว่าวางใจเป็นกลางแล้วเอาเอะไรไปวางไงเพราะใจมันเป็นกลางของมันอยู่แล้วอะ่ะแต่เราจะ อ, าอะไรไปวางตัวนี้ถ้าเราไม่ทําสติสัญญาให้เข้มแข็งใจมันเป็นกลางเองไม่ได้เพราะใจมันต้องตอบสนองการกระทบทั้ง ดีและไม่ดีแตกใจที่มันจะเป็นกลางเป็นมัชฌิมาได้นั้นต้องอาศัยสติสัมชัญญะาดังนั้นเมื่อเราฝึกสติสมัญญาจิตมาอยู่ตรงตัวรู้ตรงกลางของมันเองแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสติสมัญญาให้ถูกต้องใจมันก็เป็นกลางไม่ได้มันจะต้องเอียงไปสบายหรือไม่สบายสุขทุกข์มันก็เอียงไปทางสบายชอบใจเป็นอย่างข้ามแหละแต่ว่าความสบายก็ดีความชอบใจก็ดีมันเป็นไปตามกฎของไตรลักณมันก็เปลี่ยนความเป็นไม่สบายนะ เพราะนั่นใจจะเป็นกลางไม่ได้จนกว่าจะมีสติสัมยะเข้าไปประครับขรองเป็นที่ตั้งข้องมันนะนี่ในกรณี้หายสงสัยไหมถ้าคุณคุณคุณไดถามข้อนี้หายไหมนะถ้าไม่หายสงสัยก็ไปปฏิบัติต่อเนอะเอาะเพื่อให้ข้อต่อไป เรื่องยานสามของพระบรมศาสดาเชื่ออาจารย์เล่าค้างเล่าค้างไว้ข้อที่บุเพจุดูปปัตยานอาสวัคยยานเนี่ยที่วงเล็บของว่าพราหมณ์หมายความว่าอย่างไงวงเล็บว่าพราหมณ์หมายถึงว่าถ้าหากว่าผู้ที่ไปรู้บุเพนิวาสะนุสติญาในลักษณะที่เป็นยานที่เป็นมิจฉา ญาณคนะารมิชายานนะไม่สั ม, มายานมิชายานถ้าเป็นมิชายานก็จะไปยึดเอาการรู้ในอดีตอนาคตที่มันไกลตัวออกไปเรื่อยๆเทียบบอกว่าสามารถรู้หมุนชาติแสนชาติตลอดชาติอย่างยิ่งจะไปที่ผล นะอันนี้เบื้องต้นเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเป็นพูทธหรือเป็นพราหมณ์เพราะมันรู้เหมือนกันแต่จะไปเพ่งที่ผลเพราะฉะนั้นลทัทธิเรื่องสอนเรื่องกรรมแบบมิจฉาทิฏฐิก็เกิดขึ้นคุณทํากรรมแบบนี้เพราะคุณเคยไปเอาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมดีฝ่านะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเปลี่ยนสับข้างกันพระวัดดอยไปที่วัดแพร่แสงเทียนวัดแพรแสงเทียนมาที่วัดดอยสลับกันทุกเดือน ทีนี้มีพระรูปหนึ่งสลับไปที่พระแสงเทียนมาไม่ได้ตามไปออกมามีธุระที่วัดก็ให้ท่านอาจารย์หลงศิลป์ต่อพระรูปที่ท่านถือบินทะบตรเป็นวัดพอไปบินธบัตรก็ปรากฏว่าไปเห็นเขาเอาวายไปฆ่าที่ลงฆ่าสัตว์ที่แกมีจิตเป็นเรียกว่าสงสารเคยถ่ า, ายชีวิตสัตว์มาเยอะแล้วก็ไปเห็นเขาาเราก็เลยไปถามว่า ควายควายที่จะฆ่าเป็นวไวายแม่ลูกอ่อนถึงห้าหกตัวแกถ่ายเอาหมดเลยตัวละหมื่นกว่าบาทแล้วก็มาแจกคนที่แล้วกันทีนี้บอกว่าเพราะชาติที่แล้วเนี่ยพวกเนี้ยไปเกิดเป็นไข่ผู้หญิงที่มีท้องแล้วฆ่าลูกในท้องตายทำแท้งตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยมาเกิดเป็นควายไม่ลูกอ่อนให้เข้ามาจูงมาฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ เพราะนั้นต้องไถ่ออกมาเพื่อที่จะโปรดรักษะดูลักษณะดูะะะะปเุเพนิวานาะนานุสิยาที่เอาภบชาติออกมาซึ่งจะจริงไม่จริงเราก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้เพราะนั้นรู้เรื่องนี้ท่านบอกให้รู้เฉพาะตนนะรู้เฉพาะตนถ้าเอามาเผยแพร่ในรูปประธรรมโดยที่ผู้ฟังสามารถพิสูจน์ตามเห็นไม่ได้ก็จะเกิดความเชื่อแบบผิดๆจะเชื่อเป็นลทัทธิ สอนเรื่องกรรมขึ้นมาทุกวันนี้ใช่ไหมเรื่องกรรมบันดาลเรื่องธรรมบันดาลพอผู้คนไปทำเรื่องนี้ผิดมาต้องไปทำอย่างนี้มาต้องม า, าถ่ายกรรมต้องมาล้างกรรมต้องมาตัดกรรมและที่ตัดกรรมก็เกิดขึ้นที่สอนกรรมที่เป็นผลแต่ความจริงแล้วในพระพุทธเจ้าท่านสอนที่เหตุของกรรมนะที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่สอนเรื่องเหตุของกรรมผลเนี่ยมันเสี่ยงต่อการคนเข้าใจผิด เพราะว่าคนที่จะมาพูดเนี่ยมียานจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าเป็นยานจริงเขาก็ไม่ได้อามาอวดแบบนี้แหละเขาก็จะช่วยไปเลยโดยไม่ต้องไปพูดให้เพราะถ้าหากว่าปุถุชนคนธรรมดาฟังแล้วเนี่ยมันคิดไปหลายแม่หลายมุมมันเสี่ยงต่อความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นผู้รู้จริงก็จะไม่พูดเรื่องนี้แต่ท่านจะช่วยไปตามกรณีที่สมควรช่วยแต่ถ้ามาพูดก่อนเนี่ยมันเป็นมิจฉาญาณขึ้นมาก่อให้เกิดคนปุถุชนคนไม่รู้ก็จะไปหาเรื่องตัดกรรมล้างกรรม แล้วก็คนที่ถือโอกาสทำมาหากินกับเรื่องกรรมก็จะตั้งลัทธิขึ้นมาในการชำระกรรมขึ้นมาใช่ไหมมันก็โอกาสที่จะทำให้คนหลงผิดในเรื่องภพเรื่องชาติก็มากขึ้นพุทธเจ้าท่านจึงไม่สอนแต่ท่านจะเอามาบอกกับคนที่เอาไปทำได้แต่ท่านจะบอกเอาไว้ว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ท่านสอนมาสองพันกว่าปีในตาราบอกว่าระ ล, ลึกชาติได้เนี่ยไม่ได้บอกว่า ชาตินั่นน่ะเราเข้าใจมาหมายถึงอะไรหลวงพ่อทำปิดกท่านให้จํากัดความไว้ดีคําว่าชาติที่แล้วนับตั้งแต่วินาทีที่ผ่านเราไปนัปัจจุบันเนี่ยวินาทีที่ผ่านเราไปนี้เป็นชาติที่แล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นชาติที่แล้วของเราตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันเนี้ยเราเระลึกได้หมดไหมว่าแต่ละวันเราคิดเรื่องอะไรคิดทีเรื่อง อย่าว่าแต่ตั้งแต่เกิดแค่ซึ่อาทิตย์ที่ผ่านไปแล้วก็นับไม่ไหวอยู่แล้วใช่ไหมเรามันเกิดกี่ครั้งกี่หมืน่นกี่แสนครั้งกี่แสนความคิดเราก็นับไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าโยงไปนู่นก่อนเกิดหลังตายเนี่ยมันเสี่ยงให้ก่อใเกิดมิจฉาทิฏฐิก่อให้เกิ ด, กกดความเข้าใจผิดมากมายพุทธเจ้าท่านถึงไม่นะนําแต่ว่าวันนี้เราชาติที่แล้วคือไม่เช้านี้ผ่านมาทะเลาะ ก, กับแฟนเกิดไปชาติหนึ่งทะเลาะ ก, กับแฟน ไม่สบายใจไปตกนรกมาวันนี้ท่าเราก็แฟนเดือด ร, ร้อนจิตใจเนี่ยชาติเช้าเนี่ยไปตกนรกมาพอมาเจอที่นี่โอ้โหธรรมะฟังแล้วซาบซึ้งเกิดพอตอนบ่ายได้ขึ้นสวรรค์อย่างเงี้ยชาตินี้ไปเกิดเป็นเทวดาพอใจไปอีกหลายวันหลังจากฟังฟังหลวงพ่อแล้วก็เกิดเป็นสวรรค์อีกหลายชาติน่ ะ, อะพอไปเจออีกอาจารย์หนึ่งสอนบางคนแล้วเลือกไม่ถูกใจและติดอารมณ์เกนรกอีกแล้ว ลักษณะ ส, สวรรค์นรกครบชาติแบบเนี้ยพวกที่เจ้าท่านให้เอาแบบนี้เพราะมันแก้ไขได้ตูนรกวันนี้พรุ่งนี้ขึ้นสวรรค์ได้ขึ้นสวรรค์วันนี้พรุ่งนี้ตกนรกก็ได้แต่มันแก้ไขได้อะไรที่พิสูจนได้แก้ไขได้เนี่ยมันเป็นคําว่านรกคือมันจิตใจของเราไปไประสบอารมณ์อะไรจิตใจของเราไม่ดีจิตใจของเร า, ไ ม, เราไม่เจริญนรกมาจากคําว่านะบวกอริยะแปลว่าไม่เจริญไม่ประเสริยไม่ดี เอามาเขียนเป็นภาษาเราว่านรกมาจากคําว่ า, านาอริยะนาแปลว่าไม่อริยะแปลว่าไปเสืบแปว่าดีใช่มไหมนาะบอกอริยะเป็นเขียนความย่อเป็นนรกสวรรค์มาจากคำว่าสุขติไปแต่ที่ที่มันดีมังามวัดไปป่าสุขโดคือไปสวรรค์ น, นั่นเองนะป่าสุขโดไปสุขติเออขอให้ไปสู่สุขติสุขติบอกว่าเขาเลือ ก, อ ก, กไปที่ชอบที่ชอบ กับเป็นคำแช่งยู่ที่คุณจริงบอกให้ไปสวรรค์นะ <c oughs> เนี่ยภาษามันเพี้ยนไปได้ตามความหมายตามพระธรรมซึ่งมันไม่ไม่ชัดเจนนะเพราะนั้นปุเพนิวาสานุสติญาณถ้าสอนแบบผลเป็นมิจฉาญาณก็ให้เกิดความเข้าใจได้หลากหลายและเข้าใจผิดได้ด้วยท่านถึงสอนที่เหตุว่าอะไรก็ตามที่ผ่านมาในอดีตเป็นชาติที่แล้วหมด ชาติแปลว่าเกิดความคิด mm, air, เกิดอารมณ์เกิดความชุนเฉียวเกิดความโมโหเกิดความดีใจดีเสียใจพวกนี้ยเป็นชาติหมดแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดความดีใจเสียใจกี่ครั้งจําได้ไหมเกิดความคิดกุศลอกุศลกี่ครั้งจําได้ไหมเกิดความคิดที่เป็นบุญเป็นบาปกี่ครั้งจําได้ไหมแค่อาทิตย์เดียวแล้วก็จําไม่ได้แล้วระลึกไม่ได้แล้วไอ้ตั้งก่อนเกิดหลังตายโอ้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะอันนี้นะเราค้างไว้ แล้วในตำหลับตำราก็ว่าจุดดูประปารญานหมายถึงพระพุทธเจ้ า, าถ้าไปเห็นว่าเนี่ยคนคนนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรแล้วเทวดาคนนั้นจุดติจากนั้นจะมาเกิดเป็นใครเนี่ยให้รู้แบบนี้หมดแต่ความจริงคําว่าจุดดูประจานบวกคำสองคำเขาว่าจุดติก่ออุบัติจุดติแปลว่าดับแปลว่าเคลื่อนอุบัติแปลว่าเกิดเอามาบวกกันการเห็นการเกิดดับของจิตก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วท่านก็เลย มันก็เลยซิมบิฟายจากการเกิดดับของจิตมาเป็นการเกิดดับของกายกายนั่งอย่เนี้ยเราสมมุติว่ามันเป็นเกิดเกิดไม่สบายหรืลุกขึ้นยืนสมมติว่าเป็นดับหรือความรู้สึกไม่สบายมันดับไปเราเดินอย่างเนี้ยมันเกิดคือเกิดการเคลื่อนไหวเกิดการทํางานไร้สีพอเราหยุดปับ๊บการเคลื่อนไม่มีมันหยุดมันนิ่งก็เหมือนการดับการเกิดดับชั้นจิต กายเวทนาจิตเป็นสี่ชั้นด้วยกันเพราะฉะนั้นการมีเห็นการเกิดดับชั้นกายแล้วก็ติดตามแทบไม่ไม่หมดอยู่แล้ววันหนึ่งเราสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของกายได้ตลอดไหมตั้งแต่ตื่นนอนยงนะเฉะพาะการเคลื่อนไหวเกิดดับขอ ง, ของกายเราก็จะดูไม่ไหวอยู่แล้วอะ่ะยิ่งการเกิดเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงไหวมันละเอียดเข้าไปอีกยิ่งการเกิดหุ่นคำคิดแต่ละขณะก็ยิ่งยากเข้าไปอีกเห็นการเกิดดับของอารมณ์แต่ละครั้ง ละเอียดลงไปอีกถ้าเราไม่เจริญปัญญาจริงๆเนี่ยเราจะเห็นการเกิดดับเหล่านี้รงไปตามลำดับทันไหมไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นมีทางเดียวทำเหตุของมันคือสร้างตัวรู้สร้างตัวปัญญาสร้างตัวญาณที่เราสามารถทำได้ไปเรื่อยๆแล้วมันถึงวาละจวบเหมาะเข้ามันเมื่อไหร่มันไปเห็นของมันเอง โดยที่เราไม่สามารถจะบังคับตามกฎเกณฑ์ทางวัตถุได้เลยมันต้องเป็นไปเองโ ด, โดยหลักของความพอเหมาะพอดีเข้ามันซึ่งมันจะกี่พบกี่ชาติก็ตามแต่บางคนคนบางคนเนี่ยได้ศึกษาได้ทําวิปัสนาเรื่องการเกิดดับมาหลายพบหลายชาติมากพอมา บ, บุกชาตินี้ปับ๊บท่านก็ได้ไวนั้นกนหมายความว่าเขาจะมาเบิร์นชาตินี้นะมันผ่านมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วนานแล้วนะบางคนเกิดมาก็ทำํำพ่อแม่พาเข้าปฏิบัติตั้งแต่เล็กๆ เ, เ, เลยใช่ไหม บางคนเกิดมากกว่าจะเข้าวัดเป็นไงอายุห้าสิบหกสิบแล้วบางคนเข้าวัดตั้งแต่อยู่ในท้องเออมันความแตกต่างคนนะใช่ไหมพ่อแม่พาเข้าวัดนังเตะอยู่ในท้องนั่นพามาปฏิบัติวิปัสสนาเพราะฉนั้นโยมผู้หญิงคนไหนมีท้องพามาปฏิบัติวิปัสสนาเนะีพราะลูกเกิดมาจ ะ, จะได้เห็นทำได้ไวนะนั่นคือเหตุปัจจัยที่เราสามารถตามรู้ได้สร้างได้ เราก็จะทําได้ในพุทธศาสนาไม่มีอะไรลึกลับแต่มีความสมเหตุสมผลที่เป็นไปตามลําดับมีอาการที่ตรองตามเห็นได้นีคือลักษณะของพุทธศาสนาอันไหนก็ตามที่เราตรองตามเห็นไม่ได้ยกเป็นผลเอาไว้ก่อนจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เหตุที่เราจะทําได้เชื่อก็ไม่ผิดไม่เชื่อก็ไม่ผิดแต่เราด่าคนวันนี้เราโดนตีกลับวันนี้ของจริงอ่ะใช่ไหมเราชมคนวันนี้เราก็ได้ความชื่นชมกลับวันนี้อันนี้ของจริงนี่แหละ เราทําดีวันนี้รู้สึกใจดีวันนี้นี่เห็นโลกเห็นสวรรค์กันตรงตร ง, ตร ง, ตรงชัดๆแบบเนี้ยเราแก้ไขที่เหตุเราบำเพ็ญที่เหตุมันแน่นอนฝ่าผลท่านบอกเมื่อเหตุ ด, ดีแล้วผลก็ต้องดีละเมื่อเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบคร่าวๆนะรายละเอียดต้อง ป, ปฏิบัติเอาเองหนะรือจะรู้เอาเองนะาจากการ ฟังและได้ปฏิบัติตามพระอาจารย์ในวันนี้ทำให้เราว่าที่ผ่านมาเป็นการปฏิบัติในขั้นสมถะไม่เกิดปัญญาที่ทำนำไปสู่กา ร, รทำวิปัสนาวันนี้พอจะเห็นแนวทางแต่ก็คงยากที่จะปฏิบัติเองจะขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์จะเปิดคอร์ดการปฏิบัติขึ้นที่ไหนบ้างเมื่อไรนออันนี้ให้ติดตามรายการนเลยกันนี่นะ เพราะว่าเราทำกันมานานแลสามสิบกว่าปีแล้วที่ผ่านมาปฏิบัติได้เพียงแค่ความสงบนิ่งไม่ง่วงใ่เฉยเฉยไม่เกิดปัญญาจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรก็ปฏิบัติให้เกิดตัวรู้นี่แหละตัวรู้ก็คือตัวปัญญาก็อันเดียวกันต้นมะขามเมื่อสาสิปีก่อนกับต้นมะขามวันนี้มันก็คือต้นเดียวกันแต่เมื่อส0สิปีก่อนมันเป็นต้นมะขามเล็กๆที่เม่ิโผล่มาจากดินใช่ไหม แต่ต้นมะขามวันนี้เป็นต้นบืเริ่มเบื้อล่ามันก็มาจากต้นเดียวกันผ่านการเวลาเพราะฉะนั้นตัวรู้รู้ทีละนิดวันนี้และมันก็จะรู้เป็นญาณปัญญาระดับต่างๆในวันข้างหน้าได้แต่ว่าบางทีอาจจะไม่ต้องอาศัยการเวลานานมากนักถ้าเราเคยบําเพ็ญมาในอดีตมันก็จะโต ว, วันโตคืนเหมือนกับต้นไม้ที่เราตัดต้นมาทิ้งแล้วหนอแหนงมันแตกขึ้นมาเนี่ยมันจะโตวไวกว่ากับต้นที่เราเพิ่งปลูก ถ้าต้นที่เราเพิ่งปลูกเนี่ยโอเคจะโตได้ที่เนี่ยใกล้หนอนแหนงที่มันมีรากของมันอยู่แล้วตัดต้นออกหนอแหนงมันงอกขึ้นอ่ะมันโตวันโตคืนไวมากใช่ไหมอย่างต้นอะไรต้นสักต้นยูคาเนี่ยเขาตัดนั้นเป็นทิ้งเอามันขึ้นมาอีกแล้วแต่ถ้าจะเอาเม็ดยูคาร์ไปปลูกโอ้ไม่รู้จะขึ้นมาเมื่อไหร่นานเพราะฉะนั้นให้เรารู้ถึงความเป็นไปเป็นมาของมันอย่างนี้เราก็จะมีกําลังใจบําเพ็ญที่เหตุนะจุบเลยใช่ไหม มันจะหมดแล้วนะทุกคำถามอันนี้คือถามที่เป็นเปเปอร์ถามที่โชว์อัพ r hand มีไหมถ้ามีก็ถามเลยอันนี้เลยทั้งหมดทั้งปวงนี้หลวงพ่อบรรยายมาหมดทั้งเชา้าแต่ว่าไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเพราะนั้นการถามปัญหาคือการลงลึกในรายละเอียดแต่ถ้าจะให้ละเอียดจนเข้าใจบรรลุ ธ, ธรรมนะี่ก็วาสนาจะดีขนาดนั้นเลยเลยต้องขออาศัยบุญเสหน่อยแล้ว ก็คนที่ฟังแล้วเข้าใจเลยเยังมีไม่กี่คนเ น, นะในแม้แต่สมัยครั้งพุทธการขนาดพระปัญเยาวคีรังห้5ทั้ง5้าท่านฟังแล้วเข้าใจแต่ยังไม่ได้บรรลุเป็นสูงสุดแล้วนะท่านกุณฑยะท่านก็เพียงฟังเข้าใจเท่านั้นเองใช่ไหมยังกินจีสมุทญยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดนก็ดับของมันเองแต่ที่เราไปรู้ว่ามันเกิด มันดับเราไม่มีปัญญาไปรู้เท่าทันมันเองเพราะหน้าที่ของเราเคือเจริญปัญญาให้มากเพื่อรู้ทันการเกิดดับทั้งรูปทั้งนามเข้าใจแค่นี้แหละแล้วท่านก็เพียรที่จะอาเจริญปัญญาต่อไปหลังจากนั้นทีกทั้งสมเดือนใช่ไหมท่านถึงจะบรรลุขั้นสูงสุดอะ่ะเพราะฉะนั้นเองก็ให้ฟังเอาไว้ก่อนอยังไม่ต้องเชื่อหรอกแต่ว่าสิ่งที่ขอร้องก็คือทอํายังไงดึงกายกับใจมาอยู่ด้วยกันบ่อยๆ แค่นี้เราเมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆแต่การที่เราจะทํากายกับใจมาอยู่ด้วยกันบ่อยๆเนี่ยดูแล้วเป็นเรื่องง่ายแต่ไปทําจริงๆมันยากเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนําให้ไปเข้าคอร์สปฏิบัติก่อนตั้งต้นก่อนสักสาวันห้าวันเจ็ดวันซึ่งคอร์สทรมาช่วงต้น อ, อยู่ที่แพร่ช่วงกลางมาอยู่ที่กรุงเทพนี่ช่วงปลายไปทางเชียงใหม่เชียง าลายตากตามที่เขานี่มนต์เอาไว้นะก็จะเป็นอยู่นี้ตลอดตามใดที่ยังอยู่ที่เมืองไทยอย่างเดือนนี้จากช่วงวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายจะไปถึงวันที่สิบหกสิบเจ็ดนะก็อยู่ที่คขารู้สติไปเข้าที่นั่นต่อก็ได้เดือนหน้าเดือนตุลาเดือนตุลานี่อาจจะต้องเปลี่ยนจากสิบเ็ดสิบเจ็ดมาเป็นเก้าถึงสิบ้าเพราะเป็นวันออกพรรษาวันที่สิบหมาต้องกลับไปทําพิธีออกพรรษาให้กับพระกาะยาลมที่นั่น นะแล้วก็ในช่วงปลายเดือนก็จะอยู่ที่จังหวัดที่แม่สอดตนะั้งแต่ยีหเป็นต้นไปวันที่หนะึ่งพุชิกาต้นเดือนก็อยู่ที่แพรนะ่กลางเดือนก็จะมาที่ครุสติก็ปลายเดือนก็จะเป็นที่เชียงรายพอขึ้นธันวาต้นเดือนก็อยู่ที่อีสานแต่แค่ห้าวันพอวันที่เจ็ก็ข้ามไปข้ามไปอเมริกากลับมาอีกทีก็กุมพามีนานะเพราะฉะนั้นไองานลักษณะของการ พาปฏิบัติเี้ยมันมีไปทั่วโลกแล้วเดี๋ยวนี้นะดังนั้นก็อยากจะให้พวกเราซึ่งเป็นคนไทยอ่าเป็นเจ้าของอะไรไม่อยากจะใช้คว่าเจ้าของศาสนาเนะเป็นผู้รับศาสนาในแถบนี้อ่ามานานศตวตรรษสองศตวตรรษแล้วให้มันก้าวหน้าไปกว่านี้อีกนะก็ไม่อยากจะให้ไปเข้าคอร์สกับฝรั่งที่ต้องเสียเงินรั้งละสามพันห้าพันะอ่าคอร์สฟรีๆนี่ไม่เคยเอานะ ถ้าเขาได้เสียเงินรู้สึกว่าตั้งใจกันดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจเนาะดังนั้นไม่มีนะยกมือถามก็ไม่มีเนะาะคําว่าป้องกันการรักษาเนี่ยอันไหนง่ายกว่าสมมุติว่าเราเดินในปา่าน้ําป่าไหนรู้ว่าตรงนี้มันจะมีน้ํามีไหนมีแมลงแมงมดที่ต้องเหยียบะนะกลัวมันจะต่อยหรือจะปักน้ําป้องกันด้วยการใส่รองเท้าไว้ก่อนใช่ไหม แต่ถามว่าในกรณีที่ไม่มีรองเท้าจะต้องผ่านป่าพวกเนี้ยจะทํายังไงระหว่างเดินไปดูไปเก็บไปกับระหว่างเดินปุ๊บปุ๊ ป, ปเลยอันไหนง่ายกว่าอันไหนปลอดภัยกว่าเดินไปดูไปใช่ไหมแล้วก็เก็บไปก็ผ่านได้ช้าหน่อยแต่ก็ยังดีแต่ได้เดินไปลวกลวกโดยที่ไม่ระมัดระวังเลยก็ต้องโดนน้ามันตําน้ํามันตําแล้วเราไปนั่งเอาแค่อาน้าออกใส่ยา ก, กับไม่ให้มันตําเลยอันไหนดีกว่า เอาตรงนี้ก่อนอรูปธรรมตรงนี้ก่อนเรารู้ว่ากินแคอาหารสแสลงเนี่ยต้องป่วยไม่สบายเราก็ไม่กินแต่มันยากจริงๆก็ทําไงมันหิวอาหารประเภทนี้จริงทําไงหาอย่างอื่นแทนหรือทานน้อยๆหน่อ ย, อ ย, อยก็ได้ก็รู้ว่าเรายังเจริญสติไม่ครบถ้วนใน ง, งานการเผอภัยในการคิดการปุนแต่งการพลาดต้องมีแน่นอนแต่เรารู้แล้วอย่างนี้เราจะให้พลาดมาก หรือนานเนี่ยเราป้องกันได้ใช่ไหมไหมายความว่าช้าลงนิดหนึ่งใช้ส่วนใหญ่อุปสรรคที่จะทำให้เราผลหรือเราเพลิน ม, มีอะไรบ้างก็มีแค่สามอย่างใช่ไหมมีความสุขติดความสุขเสียความสุขแล้วมีความทุกข์เมื่อไม่ได้อย่างใจก็จะทำอะไรบางอย่างที่ไม่น่าจะทำและความไม่รู้ความรู้เท่าไม่ถึงการที่เป็นโมหะ แค่นี้มีอสามเรื่องแค่นี้เราศึกษาแค่สามเรื่องเนี่ยแต่เราปลอดภัยทั้งชีวิตเนี่ยน่าลงทุนไหมถ้าลงทุนแค่สามเรื่องไม่ยากเลยแต่ว่าทําไมไ ม, ม่มันฝืนเหลือเกินอ่ะอมันฝืนเหลือเกินก็ต้องยอมเราลองให้เมื่อผิดหวังไปแล้วเรายอมลองให้เพื่ ว, ว่ามันจะเกิดขึ้นทนจนน้าตาไหลแต่ยังไม่ทําจะทนถึงที่สุดกับว่าไปทนตอนที่มันเป็นแผลแล้วเนี่ยก็ลองให้เหมือนกันนะแต่้องให้อันแรกที่จะไม่ยอมทําเนี่ยสบายกว่า ปลอดภัยฝ่าใช่ไหมแต่ร้องไห้ตอนที่มันโดนไปแล้วมานั่งร้องไห้ที่หลังไม่มีประโยชน์แต่นั่งร้องไห้ตอนแรกที่จะโดนเนทนไม่ได้นั่งร้องไห้ยังไงฉันก็ไม่ทำฉันขอลองไห้จนกว่าจะมันจะไม่ทำเรียวอย่างนี้มีประโยชน์ฝ่าเพราะร้องไห้เพราะไม่ทนไม่ไม่ทำถูกบังคับไม่ทำก็ไม่ทำน่งแต่ว่าโดนทำไปแล้วมันพลาดไปแล้วแล้วมานั่งร้องไห้ไม่มีประโยชน์ นะหรือมีอาจจะครั้งต่อไปต้องระวังขึ้นเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมจริ ง, รงๆก็ถึงโดนไปแล้วก็รักษามันหน่อยใช่ไหมโดนหนามตําเท้าหรือว่าโดนไปเหยียบหลุมเหยียบหลองด้ยความพลาดมันมีด้วยกันทุกคนนะแต่มันครั้งต่อไปก็ระวังให้มากขึ้นนะเราจะเห็นคุณค่าของความสบายต่อเมื่อเ ร, รู้จักคุณค่าของความสบายไม่สบาย เออทำอย่างนี้มันไม่สบายเราก็ระมัดระวังมากขึ้นเพราะรู้ว่าถ้ามันไม่สบายขึ้นมาแล้วทำอะไรไม่สะดวกทั้งนั้นเพราะนั้นเราก็จะทนุถนอมคุณค่าของชีวิตที่มันจะนำไปสู่ความสบายาไว้ก่อนถึงแม้บางสิ่งบางอย่างจะมาหลอกรอ่ยอย่อยยนหรือจะมาล่อหลอกให้เราไปยึดไปติดเราก็จะยามอดทนนะอันนี้เราจะเขาปลดปอดภัยป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแต่ถ้าหากว่ามันป้องกันไม่ไหวก็ตามแก้ให้ทัน ให้มันเสียหายน้อยที่สุดนะให้มันเจ็บตัวน้อยที่สุดนะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีทางอื่นต้องไปเจริญสติเท่านั้น <c oughs> ไม่มีทางเลี่ยงนะอ้พระทีเจ้าบอกเอกาญนาวมะโคไม่มีทางเดียวอ่ะไม่มีทางอื่นเลยที่จะปลอดภัยจากทุกๆ ก, กรณีนะเอกายโญสตานังวิสุทธิยาท่านบอกโสกับปริเทวันังสมรติกมายะทุกขโทมานัสสานังอัังขมายะ อย่ายัดส่ที่มายะว่ามันจะให้ปลอดภัยทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ต้องทำแบบกรรมนี้อ้าวลต่อไปว่าอย่าเวลาที่ด uh, ูซืนะ้งๆดูไああ nou. ปเฉยๆนะาค่ะเวลาที่ความความหุบหินมนมีใช่เจ้าค่ะเราโยงดูไปซื้งๆโูก็จะเห็นว่าความหุบหินเนี่ยมันหาไปะอยากจะเป็นถามว่าถ้าดูซึ้ๆอยาถูกกทางไปเรื่อยๆ่ย้ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยความหุบหิ เกิดเพิ่มน้อยลงหรือว่ามันก็จะเกิดเปมนเดิมแต่ว่าเรารู้รู้ทางเร็วขึ้นจะมาเป็นเป็างไหนรู้ซื่อเนี่ยเวลาหนูปลูกต้นไม้ปลูกต้นนั้นซื่อๆนะรากไม้มันอยู่ตรงนั้นซื่อๆไหมถ้ายังใส่น้ำใส่ปุ๋ยอยู่มันอ่ะมันไม่ซื่อละมันนก็จะเติบโตลึกลงไปเรื่อยๆใช่ไหมจิตของเราแต่ละครั้งซื่อๆตั้งไว้ตรงๆตัวรู้ของเรามันก็จะซึมลึกลงไปเรื่อยๆเขาเรียกสติสัมปชัญญะมันอย่างราก เมื่อสติสัมญาะอย่างรรกแล้วสมาธิกเกิดปัญญาเกิดของมันเองต้นไม้เนี่ยเราปลูกลงไปซื่อๆเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรมันใช่ไหมเดี๋ยวมันก็เติบโตของมันเองไอ้ตัวรู้ซื่อๆเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมันเดี๋ยวมันเติบโตของมันเองแต่รักษาไว้ครั้งเมื่อมีการกระทบให้รู้ซื่อๆแบบนั้นแต่ว่าน้ําและปุ๋ยคุณปลูกต้นไม้แต่ว่าน้ํำและปุ๋ยไม่ให้คุณปลูกลงไปซื่อๆมันก็ไม่โตเหมือนกันนะนั่นหมายความกําหนดรู้ซื่อๆด้วยความรักและศรัทธา ความรักและศรัทธาที่จะทำอย่างซื่อๆนั้นคือน้ําพือปุ๋ยของมันแล้วอย่างนที่ที่โยมเาคะสุดท้ายแล้วเนี่ยามหมูดที่มันมันีอยู่มันจะเกิดอลงเรื่อยๆหรือว่ามันก็จะยังเกิดเหมือนเดิมแต่ว่าเราเราจะดููทนเร็วมากขึ้นเรื่อยๆคป็ัความหมูิดีก็ดีความชอบใจก็ดีเมื่อตามรู้มันบ่อยๆมันก็จะจืดไปเองจืดไป เหมือนหนึ่งว่าความหมุดหงิดเป็นน้ําเกลือหนึ่งแกว้วถ้าความรู้ซื่อๆนะเหมือนคือเราเติมความรู้ซื่อๆเข้าไปทุกครั้งเหมือนเติมน้ําเปล่าลงไปเติมน้ําเปล่าลงไปเกลือในแก้วนั้นยังเค็มเหมือนเดิมไหมมันหายไปไหนเอาก็อยู่ในน้ํามันไม่หายไปไนแต่มันไม่มีอํานาจมันหมดสภาพเหมือนกันไอ้วงหดหงิดตัวรักตัวชังเมื่อเราเติมความรู้สึกซื่อเข้าไปซื่อเข้าไปเหมือนน้าเปล่าในที่สุดไอ้ความเข้มข้นความของรักความชังก็นนมมมมมหมดสภาพ ถามว่าหายไนะ่ไม่ได้หายวันหนึ่งคุณขี้เกียจทำมือกีเกวกับเข้มข้นเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนเกลือแก้วนั้นน้ำมันแห้งกลับเป็นเกลือเหมือนเดิมอ่ะใช่อันนั้นแหละเรียกว่าความรู้สึกซื่อๆนะั้นเหมือนน้ำเปล่าที่บริสุทธิ์เข้าใจนะโอเคหมดแล้วใช่ไหมน่าจะน่าจะหมดนะเคลียร์นะขณะ น, นี้ถ้าใครไม่ได้ดวงใจเห็นทำก็ไกลเหลือเกินแล้วนะ น่าจะชัดเจนนะะแต่ต้องฟังด้วยศรัทธาได้ดวงใจเห็นทําง่ายๆนะแต่ฟังแล้วก็เหมือนเดิมปฏิฆาแล้วไม่เห็นด้วยอีกต่างหากอันนี้ก็เชื่อไม่ได้เป็นวิบากกรรมของวันกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้เพราะว่าทั้งพุทธทั้งบททั้งปวงเราไม่ได้พูดให้มันถูกไม่ได้พูดให้มันผิดและไม่พูดให้ใครเชื่อแต่ว่านําเสนอข้อเท็จจริงว่าได้พิสูจน์มาเป็นอย่างนี้นะ ได้พิสูจน์ไปอย่างนี้เพราะนั้นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้ให้เชื่อนะแต่พูดความจริงที่เจอมาอย่างนี้เท่านั้นเองถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่บาปคุณเชื่อกเอ็เป็นเรื่องบุญเป็นกุศลแต่ละคนนะอ้าวต่อไปนี้เราเตรียมแจกหนังสือเพื่อที่จะได้สวดมนต์ต่อไป